กระดูกพระพุทธภาสิตยานิมานิอปัตทานิอลาบูเนวะซาระเดกาโปตทานิอัิีนิตานิดิสวานะการติแปลความว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเหมือนน้ำเต้าในศาสการมีสีเหมือนนกติราชความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นอธิบายความ ศพที่เผาในป่าชาแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกนั้นเจอด้วยขี้เถ้าจึงมีสีขาวอมเทาคือสีขาวของกระดูกผสมกับสีเทาของขี้เถ้ามองดูเหมือนสีนกพิราชกระดูกนั้นเกลือนอยู่ทั่วไปบริเวณเผาศพทรงเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่หลนเกลือนกลลนอยู่ในศาสตร์การศาสตร์การนั้นท่านหมายถึงกระดูใบ ไ, ไม้ร่วงเมื่อไปอยู่ในอินเดียข้าพเจ้าเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อหมดหนาวแล้วก่อนความร้อนอันรุแนแรงจะมาถึง ต้นไม้ก็เริ่มสลัดใบเก่าทิ้งไม่นานนักจะมีใบใหม่อันสวยงามขึ้นมาขณะที่ร้อนจัดที่สุดใบไม้กลับเขียวสดไปทุกต้นในเชิงอัจฉริยะของมหมามกุฏว่าฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวคือฤดูใบไม้ร่วงการเผาศพในอียเดียนั้นเผายังเปิดเผยคือนําไปในที่โล่งแจง้งแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเผาที่ริมฝั่งแม่นม้ํำคงคาเมืองพาราณสีมีที่เผาศพหลายแห่งเผากันมากไฟไม่เคยดับเลย เพราะมีศพมาเข้าคิวคอยเผาอยู่เสมอเผาเสร็จกวาดกระดูกและขี้เถาวางส่วนลงแม่น้ำคงคาไปเชื่อว่าได้ขึ้นสวรรค์นแน่มีคนรับจ้างเผาศพดูเหมือนศพละห้ารูปีเท่ากับประมาณ14บาทของเงินไทยฝืน่นั้นเจ้าของศพต้องซื้อเองต่างหากแต่มีขายอยู่ใกล้ๆนั่นเองได้ไปยืนดูการเผาศพหลายครั้งน่าสลดใจมากกฎของเทศบาลไม่ยอมให้เก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมง เมื่อตายลงก็หามกันไปเผาหามกันไปเผาในวันนั้นถ้าเป็นชายจะคลุมด้วยผ้าสีขาวหญิงคลุมด้วยผ้าสีอื่นๆที่เห็นส่วนมากเป็นสีเหลืองสีบานเย็นและสีแดงมีดอกไม้โรยศพเล็กน้อยมีคนหามสี่คนใช้ไม้ไผ่และฟากเป็นที่รองศพที่น่าสลดใ จ, จยิ่งกว่านั้นก็มีคือเอาศพวางพาดขวางเข้ากับสามล้อคนนําศพนั่งเหยียดเท้ากรอมศพไปคนสามล้อก็ถีบไปไม่มีใครสนใจ เห็นการจนถือเป็นเรื่องธรรมดาความตายในอินเดียเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆพระพุทธภาษิต ท, ที่ยกไว้ข้างต้นนั้นพระศาสดา ท, ทรงแสดงแก่ภิกษุผู้ขวัญใจผิดว่าตนได้บรรลุมาผลแล้วมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องอธิกรมานิกะภิกษุได้สดับมาดังนี้ภิกษุห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌานสําคัญตนว่า อิดของบันทิตถึงที่สุดแล้วคือได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดแล้วจึงชวนกันกลับมาเพื่อทูลผลสําเร็จของตนแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาถึงซุ้มประตูพระศาสดาทรงทราบริยานจึงรับสั่งให้พระอานุนไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่ายัางไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ให้ภิกษุเหล่านั้นไปพักที่ป่าช้าพี่ดิบเสียก่อนแล้วค่อยเข้าเฝ้าภายหลังพระอานุนรีบไปแจ้งให้ภิกษุเหล่านั้นทราบถึงพุทธประสงค์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 ขณะนั้นพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงฉายพระศมีไปกระดุดอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นแล้วมีความกำหนัดพอใจในร่างนั้นควรอยู่หรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากระดูกทั้งหลายเหล่าใดอันเขาทิ้งไว้เกินกราดเหมือนน้ำเต้าในาศาสการมีสีเหมือนนีนกปีราความยินดีอะไรเล่าพึงมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น มีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผล